ธมะสสายดังนั้นในโอกาสที่ท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาสนับสนุนกิจการที่ท่านได้ดำริและก่อตั้งเอาไว้แล้วเพื่อจะเรินรอยตามและเพื่อจะให้สิ่งที่ท่านได้ปรารภเอาไว้นั้นได้สำเร็จตามความปรารถนาแล้วก็ทำการทอดกระถินเพื่อจะสนับสนุนกิจการนั้น จึงได้เป็นเครื่องประกาศน้ำจิตน้ำใจของท่านทั้งหลายว่าทุกทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมทอดกฐินในคราวนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความกะตันยูกะตะเวทีท่านได้ประกาศคุณธรรมอันเป็นพื้นฐานให้เกิดความดีออกมาให้เกิดแก่โลกแล้วประการหนึ่งและยิ่งกว่านั้นท่านทั้งหลายก็มีความสนใจในการศึกษาที่จะปฏิบัติธรรมในด้านสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน แต่ก่อนที่จะกล่าวถึงสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนั้นจะขอกล่าวถึงคำว่าธรรมะธรรมะตามที่เราเข้าใจกันนั้นหมายถึงธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าพระเถรานุเทระทั้งหลายเมื่อท่านปรารถแสดงธรรมที่ไหนที่ไหนท่านก็มักจะกล่าวว่าบัตนีิอรตมาภาพจะได้แสดงธรรมะคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเมื่อเราตั้งคำพูดประโยคนี้ก็คล้ายๆกับว่าธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของพระพุทธเจ้าไปเสียหมดดังนั้นเพื่อความเข้าใจง่ายอาตมาจึงขอแยกธรรมะออกเป็นสองสายหสายสภาวะธรรมได้แก่ธรรมะที่มีอยู่เป็นอยู่ตั้งแต่เดิมมาเป็นของเก่าเป็นของโบราณ มีมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดสายที่สองคือธรรมะคำสั่งสอนได้แก่หลักปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญา